t a i a m Kan, Teacher, you're v u n e r a b l e I'm going to uh, speak English and Thai together because I'm not very good at Tha mat speaking. So if if you don't understand, please tell me. And if if five minutes is over, please tell me. Okay, I try to get to the point as soon as possible. But please, first of all, I have to apologize for. It might seem to you that I jump up and down at the back of the hall. It's only because Colonel Thongchai asked me to uh, look after the place, and I have to work in liaison with uh, the priest. And this is my uh, big rehearsal for the Samana p r a v i n a i in this coming July. So please accept my apology. I don't mean to be not showing any respect. For anybody, especially for the teachers, and for the paguta j a o Okay, uh, my problem might be might sound complicated, but I think you can give me an advice very easily. To be short, I'm a 70 years old lady who had back operation for three year, for three times within a year, about 10, 11 years ago. So I have a um, problem for sitting for a long time. This is the first time here that I can sit longer than one hour. Never before I have to uh, change my posture, my a r i y a b o t every maybe 10, 15 minutes. That's why I seem to everybody like I jump up and down, jerking around, jerking around all the time. Because I suffer from sitting for a long time, and since I lived my past life, no, my experience in the past with m i t h a Titi and uh, very complicated life that I told you before, so I'm sort of absent-minded. I have very good sanya memory, but it's full of bad things. So when I Nang of course, I've n a n a l the t i So whether not I should go on practicing samadhi, or should I go on being v i p a s s a n a y a n i k Because my nature is, I can sense in my mind receive a gamagama arom quite easily and sensitively, and record i n into my mind quite rapidly. มีความฟุงสันความฟุงสันคือในเวลาปิบัตินี้เป็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผู้ปฏิบัติทุกๆคนแต่ว่าเราต้องฝึกจิตของเรา เดี๋ยวนี้โยมยังที่โยมบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรที่โยมนั่งนั่งได้นานใช่ไหมคืนชั่วโมงก็ต้องฝึกเวลาไม่ยังไม่พอถ้าวิปัสสนาอย่าง น, นี้ก็ต้องทำ สถ้าไม่มีไม่มีสมาธิใดๆมารเรื่องนดชงช้รักษาสมดุลเดลรักษณะเวลาที่ทำพระอธรามอยากให้เคนนำอยากให้ครเนมนาำให้นำเก่โยมว่า ควา ท, าทั้ต่อไปอนันตนาสติเพราะว่าอนาบานา ส, ต, ะะนาานาสติสามารถทาไปได้ด้วยตนเองถ้าไม่เพยียงมากถ้าใช้วิริยะมากเกินไปก็สามารถก่อให้เกิดปัญหาบางสิ่งบางอย่างถ้าสามารถ กำเนดได้กำเนดรู้ลมเข้ลมออกอยังก็จะมีประโยชน์แสามารถเจริยสามาธิได้เหมือนกันต้องฝึกไปเวลามีเวลาฟุา้งซ่านก็ต้องใช้นับลมเคยใช้มั้ยเคยใช้นับการนับการนับลมไหมมี ทำได้ดีไหมไม่ ด, มดีทำได้นะทำเคยทำนานๆานไหมไ ม, ไม่นานไ ม, ไม่นับลงดีกว่าด้่งั้นก็ทำไปโดยสติที่ดีต้องเข้าใจตัวเองว่าถ้าไม่ฝึกจิตของเราลอยไปที่นี่ที่นุ่นแล้วก็ไปใส่ใจที่อันนี้อันนั้น อันนี้เป็นสิ่งที่มีอันตรายมากเวลาใกล้ตายจะใกล้ตายทำยังไงเราอยากทำหรือไม่อยากทำอยากฝึกหรือไม่อยากฝึกก็ต้องทำไปต้องฝึกไปอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำในแต่ลวาวันในเป็นในชีวิตของเราจนถึงเราตายถ้าไม่ทำไปก็ไม่ได้อยู่นี้ ยังแข็งแรงยังมีสมาธิยังมีสติแล้วก็สุขภาพก อ, อยังดีอยู่เวลานั้นมีความมีการประสมมีความลำบากได้ประสบว่ามีความลำบากในการปฏิบัติถ้าไม่ทําต่อไปเวลาใกล้จะตายเราไม่มีสุขภาพดีๆ ก็ไม่มีกำลังไม่มีสติร่างกายก็ไม่ดีแล้วเวลานั้นทำยังไงใส่ใจกรรมฐานอารมณ์กรรมฐานได้อย่างไรถ้าเราไม่ฝึกไปนี่เป็นสิ่งที่ยากมากต้องทำไป อยู reel, mm ่บนเครื่องมิลหรือแม้กระทั่งันขับรถจะรู้ในกิริยาอาการที่เดินที่ยัดยื่นอะไรนะเหยียดไปนอเข้าแล่เหลียวขู่เหยียบอยู่อย่างนั้นชัดเจนเลยใช่ไหะแล้กระท่านอยู่กับคนอยู่มากเนี่ยยังสามารถที่จะอยู่ตัวคนเดียวได้แต่ไม่ใช่ตำรวจนะจ๊ะถ้าเกียวกับไม่ผิดปกติถ้าอากัน มีอากันอย่างนี้เราสามารถปฏิบัติทัดกรรมฐานาัดกรรมฐานอาจจะดีเหมือนกันแต่ว่าต้องต้องเรียนจากต้องเรียนจากครูบาอาจารย์โดยตรงทำคนเดียวไม่ค่อยดีถ้ารู้ทำยังไง อย่างดีแล้วเวลาเนรทศทธรรมด้วยตัวเองต่อไปก็ไม่เป็นอะไรตอนแรกทัดทำด้วยตัวเองถ้าไม่สามารถรักษา ด, ดำลงได้อาจจะก่อให้เกิดลักษณะทัดบางบางสิ่งบางบางทัดและบางทัดสามารถก่อให้เกิดชัดเกินมากไป ถ้าไม่สามารถรักษาสมดุมได้บางทีก็ไม่ค่อยดีถ้าอยากทาก็ต้องอืมอืม อืม กรับเรียนท่านอาจารย์ว่า7วัน8วันที่ผ่านมาก็พยายามนั่งให้ได้ยาวขึ้นแล้วก็ให้ให้นิ่งขึ้น 3-4 สี่วันแรกก็ค่อนข้างยาก ะ, ะ <c oughs> หลังจากนั้นก็ค่อยๆเริ่มนิ่งขึ้นแล้วก็จนมาสองวันหลังนี้ก็ได้ยาวขึ้นด้วยคือถึงประมาณสองชั่วโมง สองชั่วโมงกว่ า, วาเจ้าคะ่ะทีนี้พอได้ฟังท่านอาจารย์แล้วเนี่ยเกิดความเข้าใจบางอย่างว่าจริงๆแล้วเราคิดว่าเราไม่สมควรที่จะนั่งเป็นได้นานเราไม่เราไม่มีคุณค่าพอที่จะปฏิบัติได้เก่งๆที่ผ่านมาก็รู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆ จ, จ, จ้าคะ่ะแล้วก็ถ้าเผื่อยิ่งถ้าเผื่อไม่ได้อยู่ที่พระเอาพระเอานั้นเรานั่งแล้วก็เป็นวินยัยแล้วก็ เราก็ทำตามล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเราทำตามเขาให้ถูกต้องแต่ถ้าเรานั่งเองเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้เรานั่งได้ครึ่งชั่วโมง40สบนาทีตรงนี้กจ็จะพยายามคิดว่าพงเริ่มเข้าใจให้ได้ว่าเราอาจจะทำได้คือนั่งนานๆจ้ะค่ะแล้วก็ 3-4 มสี่วันหลังนี่ที่เกิดขึ้นก็เอ้ e a t h บอดีก็เริ่มเกิด and steady ขึ้น brighter but not light จะค่ะก็ที่ผ่านมาก็ได้แค่เนี้ยจะสามารถทำได้แต่ว่าเราต้องมีสิ่งแวล้องที่หมดสสงถ้าไม่มี บางทีเราก็ไม่ไม่อยากทำถ้าไปเวลาที่โย่ไปปฏิบตัติที่พระออกก็สามารถทำได้ไสามารถนั่งได้นานแต่ว่าที่ที่บันบ้านก็บ้านเลย <c oughs> ไม่เหมือนกันแล้วก็มีมีทุระมาก คิดว่าสำคัญมากกว่าเพราะว่าแต่ละคนก็ทำอย่างทำบนทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่เหมือนกันเพื่อทุกๆคนไม่ค่อยไม่มี คนมากที่สนใจจะทำปฏิบัติแล้วก็ไม่สนับสนุนด้วยก็เลยเราก็ต้องเรียกสถานที่ถ้าอยากได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงเราก็ต้องทำที่เหมาะสมไม่อย่างนั้นก็ ไม่สามารถทำได้ดีมีบารมีแต่ว่าสถานที่ไม่เหมาะสมแล้วก็มีเหตุต่างๆที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ตัวเองก็ไม่อยากตาดัดหลายสิ่งอะไรอย่าง ตัวเองก็อยากล่วงมือกับสิ่งที่ตัวเองชอบก็เลยไม่ยอมไปที่ไหนอยู่อย่างเดิมต้องเห็นจิตใจของตัวเองถ้าเราถ้าเราไม่พัฒนาก็ไม่ได้ ต้องพัฒนาให้ดีเพื่อจะสามารถหลุดพ้นจากทุกข์แต่ตัวเองก็ยังไม่อยากหลุดพ้น <c oughs> ทำตอนไปสักท่อที่สามารถทำได้แต่เกีมาแล้วถ้าเปรียบเทียบกับตอนแรกที่อาตมาเจอกับโยมโยมก็ เดี๋ยวนี้อายุมากึ้นอัตอัตมาก็อายุมาคขึ้นโยงก็อายุมาคขึ้นแล้วไม่ค่อยมีเวลาแล้วถ้าโยงไม่เสรจก็สิ่งที่มีทาให้เส ร, ร็จเลยอันนี้จะมาวันหนึ่งปฏิเสธไม่ได้เดี๋ยวนี้ ยมต้องปฏิเสธทนตัวไปต อ, ตอนนี้ดวงกลมๆก็ไ <c oughs> ม่มีแล้วเจ้าะเพราะพยายามกำหนดติดต่อต่อ <c oughs> เนื่แต่ว่าวันนี้ตอนหายใจเข้าหายใจออกมันมันจะมีแบบสปอตกลมๆเจกาะเข้าไปที่จมูก แล้วก็อันใหม่อันใหม่เรื่อยๆแต่สักพักก็หายไปอีกคําต็มหนึ่งก็คือว่ากลางคืนนอนเมื่อคืนอเจค่ะลงไปนอนเนี้ยลมหายใจมันจัดจัดตลอดเวลาจัดมากกว่าตอนที่เราตั้งใจนั่งสมาธิเสอีกแล้วก็เลยนอนเวลาอเจค่ะแล้วยังไงอเจค่ะเวลา น, นอนเราจิตใจและกาย ผงคลายอย่างดีถ้าเราสามารถตั้งจิตและกายของเราในเวลานั่งเราก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่เราเวลาเราทำนั่งสมาธิเวลานั้นเราก็บางทีไม่เข้าใจจะทำให้ผ่อนคลายกายและใจอย่างไรก็เลยบางทีก็ไม่ไม่เหมือนถ้าเข้าใจ จะทำยังไงทำให้กายเล็กใจผ่อคลายเวลานั่งก็สามารถทำได้ดีเหมอือนกันแต่คือว่าอยากนอนค่ะแล้วมันไม่หลไม่ต้องไม่ต้องหว่วงเพราะว่าหวงถ้าลองนอนไม่หลับเอาใส่ใจอารมณ์กรรมฐานได้ก็ทำไปเลย ทำไปนี้อันนี้เป็นโอกาสจริงๆแล้วร่างกายของเราต้องให้พักผ่อนต้องเราต้องต้องการพักผ่อนแต่บางทีก็ไม่ไม่ต้องก็เลยนอนไม่ได้ไม่ต้องห่วง <c oughs> ก็ปฏิบัติมาจนแก่ยังไม่ได้อะไรแต่ก็ดีใจมากที่บุญส่งมาเจอพระท่านอาจารย์แต่ก่อนก่อนจะมาเนี่ยโยมมีตัทีนะมิทะกับอุทิจารแต่มานี่ตั้งแต่มานี่โยมไม่ไม่ง่วงเลยแล้วก็รูส้สึกดีกว่า เคยมาตลอดโดยก่อนที่ยอมจะนั่งยอมก็ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงท่านอาจารย์ด้วยยอมก็รู้สึกว่าดีกว่าอยู่ที่บ้านเยอะแล้วก็อืม นั่งแล้วก็ที่บางครั้งก็ไม่ดีก็มีขาดสติเป็นพักๆแต่มีอยู่ ส, สองสามคราวที่โยมสามารถนั่งแล้วรู้สึกว่าร่างกายเบาสบายแล้วไม่อยากขยับไม่อยากลุกอยากจะนั่งอย่างนั้นตลอดไปอย่างนีง้แต่ก็พอดีก็มีเหตุทางกายที่ว่า ต้องเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้แต่ก็คงต้องกลับไปปฏิบัติแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเรียนกับท่านอาจารย์พอดีว่าที่บ้านผมมีคนอายุมากกว่าอีกสามคนยงก็เลยไม่สามารถตามไปพม่าได้จ้ะค่ะ มาปฏิบัติทีนี่เดี๋ยวนี้กี่วันแล้วก็ต<อ>ั้งแต่วันแรกเลยดคืออ๋อออายุอายุเท่าไรแล้วเดี๋ยวนี้จีซ <40 S 1> <90. S 2> ีทับไปพักออกไม่ได้ ต้องพยายามทำเท่าที่สามารถทาได้ที่บ้านหรือสถานที่ใดๆที่เหมาะสมเพราะว่าอายุอายุเก่มาแล้วก็รีเราก็ต้องใช้คุณค่าของเวลามีคุณค่าเวลามีคุณค่าแต่ อายุก็ก็เลยต้องฝึกจิตของโย่เพื่อจะให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานต้องฝึกไปอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อคนเก๋ <c oughs> แต่ไม่ได้หมายถึงว่าคนหนูไม่ต้องที <c oughs> <c oughs> ่นี่ก็ไม่มีคนหนู <c oughs> <c oughs> <laughs> ยังหนุม <laughs> <t os> ต้องทำต่อไปนะ <t os> ยอมอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเพราะว่าวันที่ห้าเดี๋ยวยอมก็จะกลับแล้ว ก็เลอยากจะถามเพื่อที่จะไปปฏิบัติต่อที่บ้านนะคะคือมยมยมจะต้องต่อไปออคืออาจารย์ก็ทราบว่าโ ย, ยมถึงตรงไหนนะคะแล้วโยมจะปฏิบัติอะไรที่ที่มันจะต้องก้าวหน้าต่อไปคือคือยมคิดว่าคงจะต้องเป็นให้ลมเป็นเอกขตาหรือเปล่าคะ ก้าวต่อไปวันนี้อาตมาจะอธิบายเลัขตดทนี้ยูต้องกาดููตอนแรกต้องการดููแต่ลมเข้าลมออกอยู่อยู่กับลมเข้าลมออกนันนันติดตอต่อเนื่องให้ได้จนถึง แสงที่ปรากฏมั่งคงดีและในที่สุดก็จะไปจะมาดวมกับลมเข้าลมออกเวลานั้นอยก็จะเห็นแสงและลมเป็นเดียวกันจากที่โยกกำลุดหรือลมเข้าลมออกอยู่ ที่กระโยงกำหนดลู้ลมเข้าลม อ, ออกจากที่กระเทีเวลาแสงและลมร่วมกันไปร่วมกันอย่างดีแล้วยมก็จะเห็นเวลาที่กำหนดลู้ลมก็เห็นแสงด้วยกันจะ ต, ต้องรองจนถึงกำหนดนานถึงส0สบนาที ถ้าน้ำถึงสามสิบนาทีแล้วก็เข้าใจได้ว่าเสงมั่งคงดีแล้วเวลานั้นโยมต้องกำหนดรู้เสงที่ลงที่ที่เดียวที่โยมกำหน ด, ดลงเข้าลงออก เข้าใจไหมนึ่เข้าใจมีแสงรอบๆนี้เข้ใจไหมมีมีตลอดไม่ได้ไม่ได้เตแล้วก็ล่มเดือดคือมันจะอยู่พร้อมกันอยู่พร้อมกันนานไหมตลอดก็ยอมยอมรับ2วันบับไม่ยอมตกหวังติดแต่ว่าก็ก็อยู่ อยู่อยู่อยู่พอสมควรนะคะไม่เป็นอะไรบางบางทีก็ผู้ปฏิบัติก็ได้มีการประสบแสงมีทั่ว ค, คือเมื่อก่อนแสงมันจะทั่วแล้วก็ยกงพยายามกำหนดตรงตรงกระทบใช่ไหมคะแสงมันก็จะเหมือนว่า มันจะอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ไปทั่วแล้วมันจะอยู่บริเวณนะ around here about about this bead you know just around here บริเวณที่บริเวณ ร, รอบๆนี้หรือทั่กวก็ไม่เปลี่ยนอะไ <c oughs> ไม่ต้องสนใจ <c oughs> ไม่ต้องใส่ใจต้องใส่ใจแต่ ท, <c oughs> ที่จากที่กระทบเวลาที่ต้องใส่ใจลมเข้าลมออกต้องใส่ใจลมเข้าลมออกอย่างเดียว ถ้าแสงและลมร่วมกันดีแล้วอย่างที่อาตมาบอกนานถึง30นาทีเวลานั้นก็แต่แสงแต่แสงเท่านั้นคือคือหมายความว่าใส่ใจแต่แสงตรงตรงพาร์ทิเคิลพอยท์ออที่ก็โซฟาไสส์ควายเดิวันไม่ใช่ที่เดิมที่เดิมคือที่ลมกระทบใช่ๆเพราะว่ากระทบร่วมกันดีแล้ว แสงก็มีอยู่ที่โยงกำดลมก็ที่นั้นที่นั่นเลยโยงตองดูแค่แสงเมื่อมันอยู่ประมาณขึ้นชั่วโมงแล้วก็ดูแต่ที่แสงตรงที่กระทบไม่คือหมายก็าวว่าปล่อยลมคือไม่ดูลมไม่ดูลมค่ะถ้าทำไปอย่างนี้สังเกตได้ว่าสมาธิดีขึ้น แสงก็ปรากฏและแสงก็สว่งขึ้นสว่าขึ้นเวลานั้นทาต่อไปเลยแต่ถ้าสมาธิน้อยลงไปลดลงไปแล้วก็แสงก็อ่อนไปเวลานั้นก็ต้องกลับมาดูาดใหม่ทำอย่างนี้ต่อไปถ้าสามารถกำเนดรู้ได้สามารถกำเนดรู้แสงได้อย่าง นั่นนั่นด ต, ต่อดอนเนื่องไปสมาธิก็จะดีขึ้นแสงก็เสว่งขึ้นเราก็ต้องฝึกไปเพื่อจะสามารถเพิ่มเวลาเรื่อยๆตอบค่ ะ, คะแล้วอีกคำถามหนึ่งว่ า, เ, าเวลาปฏิบัติเนี่ยจริงๆตามความเป็นจริงแล้วเราจะต้องทำทุกวันอย่างน้อยมินมิมัมสองบันหลังไหมคะ<อ>เพื่อที่จะ ราวนา่าคือคือทำได้มากยิ an, ่งมากยิ่งดีแต่แอดมินิมั่ม่ถ้าสามารถทำได้มากก็ดีไม่อย่างนั้นถ้าสามารถทำสองบาลันก็ดีเหมือนกันก็ต่อยังไม่ดีพออ๋อค่ะแล้วแล้วคราวนี้ถ้าเราเกิดอยากจะไปพรออเนี่ยไปยังไงละคะมันมันคือมันยากไหมมันยังไงในการที่จะไป ครับมีมหมดแม่ชีโอ้เหเลยค่ะอ๋อคะ่ะค่ะอ๋อเหรอคะอ๋อติดต่อได้เลยคะ่ะโยมก็แ ล, แล้วแล้วท่านอยู่สอบอารมณ์ให้พวกเราเหรือเปล่าหรือว่ามีคนอื่นสอบอารมณ์หรือยังไ ง, งไ ต, ต้องสอบทุกวันไห ม, ไหมอ๋อแล้วต้องสอบทุกวันดีกว่าไหมหรือยังไง อ๋อโอเคกันกันกันกันก็ได้กัะอ๊บยินเลยจอ่าการปฏิบัติอยู่เนี่ยอ่าถ้าปรากฏว่ามี อย่างนึนงทั้งปากกดขึ้นมาในในในใ น, ในทันติทันใดนี่เราจะต้องจิตนี่จะต้องดูที่ลมหายใจหรือว่าดูกับสิ่งที่มาใหม่ด้วยครับต้องอยู่กับลมแค่นีเ้เพราะว่าเดี๋ยวนี้โยมกำลังจเจริญสมาธิอยู่เพะะื่อเพื่อจะสามารถเพื่อจะสา ม, ะะรสมารถเจริญสมาธิได้โยมก็ต้องจเจริญ อ, อีกะกระา เอกกตาเป็นคือเรียวกวคืคคคอเรี่กว่าสมาดถิถ้าถ้าโยมไปใส่ใจสิ่งใหม่ๆก็ไม่มีเอกกตาแล้วก็ไม่สามารถเจริญสมาดิได้แต่อย่างอย่างเป็นต้นว่าขณะที่ปฏิบัติเนี่ยนะครับแล้วมีเสียงเกิดขึ้นทันใดเนี่ยขณะนั้นจิตก็รับรู้ได้ับตัานถ้าเรา ฝึกจิตของเราให้อยู่กับโลเพราะว่าถ้าเสียงดังก็จะได้ยินแต่ถ้าเราไม่รับก็ไม่เป็นอะไรถ้าเรายอมรับไปใส่ใจ <Okay. S 1> สามารถรบกวนการปฏิบัติของโยงได้ต้องฝึกกำลังฝึกจิตของโยมอยู่ ถ้าเราไปใส่ใจหมายควางว่าเราไม่ฝึกจิตของเราเอาทําตามอย่างสิ่งที่ปรากฏขึ้นเราก็ไปทําไปตามไปก็ไม่ดีก็ยังคงต้องตั้งอยู่ที่ลมหายใจอย่างอย่างมั่นคงใช่ใครับเจ้อาจารย์คือเท่าที่สังเกตอย่างตัวเองเนี่ก็คือว่ามันมันยังรับรู้อยู่ครับ สามารถรับรู้ไดว่าไม่หลับไม่ ราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงวันนี้รู้สึกจิตปกติจ้คะคะจ้คะคะแล้วก็แต่ช่งชวงเช้านี้สมาธิยังฟุ้งซ่านอยู่นะจ้คะคะแต่พอตอนบ่ายนี้เรมานั่งเข้าเจริญสมาธิเนี่ยจ้คะคะตั้งแต่ เือบบ่ายโมงก็นั่งจนถึงบ่ายงสบนาทีจ้ะช่วงแรกช่วงแรกก็ยังค่อนข้างจะฟุ้งซ่านแต่ตอนหลังเนี่ยจิตก็รวมเป็นหนึ่งได้ที่ลมหายใจลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ยาวรู้สั้นรู้แต่ยังไม่ทราบว่าละเอียดหรือไม่ ยมก็อยากจะขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายคาว่าลมละเอียดเป็นยังไงหยาบยังไงจังค่ะเวลาเราเรื่องทมอนาปานาสติลรก็เป็นธรรมดาบางทีก็ยาวบางทีก็สั้น แต่สามารถอยู่กับโลมได้อย่างได้อย่างง่ายๆหมายความว่าสามารถรับรู้ได้เราชัดเจนถ้ามีสติก็สามารถอยู่กับได้อย่างนั้นๆเพราะว่าเรามันชัดอยู่แต่ถ้าเรื่อๆต่อไปแต่สามารถถ้าสามารถกำหนดรู้ ลงได้อย่างนานๆติดต่อตอนเดือนไปลงก็ค่อยๆละเอียดลงไปเบาละเละเอียดถ้าเปลี่ยนไปอย่างนี้ตอนแรกผู้ปฏิบัติบอกได้ว่าทุกๆคนก็ มีความประสบการณ์อย่างเดียวเหมือนกันเหมือนกันเขาหายไปเลยหายไปบอกบางทีามานก็ตกใจเป็นอะไรไปมันก็ลืมตาก็ไม่ควรทำอย่างนี้ถ้าถ้าโยมประสบ อย่างนี้ประสบการณ์มีกับไม่ีประสบการณ์อย่างนี้ก็เป็นธรรมดาเลยเพราะว่าลมละเอียดเบามากไปส ต, ติไม่ทันส ต, ติไม่พอที่จะรู้ก็ต้องเตียนตัวเองเตือนนะ ส, ต, ต, ส ต, ติอ่อนไปเพราะเรามีชีวิตอยู่เราก็หายใจมีหายใจแล้วเราก็หายใจอ ย, อยู่แต่ส ต, ติอ่อนไป ก็เลยไม่สามารถรับรู้ได้อย่างเดิมก็เวลานั้นต้องรอคอยลงที่ละเอียดเบามากรอบๆนี้บริเวณนี้ด้วยสติที่ดีแล้วก็เวลานั้นที่สำคัญก็ใจต้องสงบอย่างดีถ้าไม่สงบ ก, ก็ไม่สามารถรับรู้ ลงที่ละเอียดเอามากได้อีกก็ต้องรักษาเจตห้สงบและโดยสติที่ดีรอบอริเวณนี้อีกน่อยก็จะรู้สึกว่าลมกระทบอยู่ที่ใดที่หนึ่งได้ว่าเบาและละเอียดมาก จะมัง่งสม่เสมอไม่มี ม, มีแต่บางทีด้วยความตั้งใจผู้ปฏิบัติทำอย่างนี้ไม่ควรทำบางทีก็ไม่เป็นอะไรบางทีไม่เป็นอะไรแต่ไม่ควรทำทำด้วยความตั้งใจถ้าสามารถ รับรู้ลมที่ละเอียดเบาไปอีกได้แต่สามารถกำเดรู้ได้อย่างนานๆติดต่อต่อเนื่องไปสมาดิก็จะดีขึ้นเพราการเจริญการเจริญสมาดิของเทลากคนอยู่ที่การรับรู้ลมที่ละเอียดถ้าสามารถทําได้อย่างนั้นๆสมาดิจะดีขึ้ น, น, รนรรเนน ร, รื่อ ย, าาารอยๆต่อไปในที่สุดก็ะสามารถ อันลุคราบพระจันค่ะนักเรียนใหม่รายงานก็ <laughs> <laughs> <c oughs> <c oughs> นั่งได้นานขึ้นนะคะแต่ยังมีนิวรณ์เข้ามารบกวนเป็นครั้งคราวแต่ไม่ให้อยู่นานน ะ, ะรีบไล่ไป <c oughs> <c oughs> บางครั้งก็ได้นานเป็นชั่วโมงค่ะแต่บางครั้งก็ระยะสัส้นแต่วันนี้มีความรู้สึกอย่างนึงว่าเมื่อเช้านั่งได้ชั่วโมงประมาณชั่วโมงกว่าๆคะ่ะรู้สึกมันทำไมเรารู้สึกว่าเรามีความกล้ากล้าที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ่ะมันเกิดขึ้นโดยที่ ซึ่งเมื่อก่อนกไไไไ็ไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกชนิดนี้นไม่ทราบว่าโยมเดินทางถูกแลหรือยังมีความกล้าเพื่อจะทำอะไรเพื่อจะทำอะไรได้ทั้งนั้นเลยค่ะมันเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาอืคํานี้คำนี้ดีมากแต่ว่าต้องใช้ที่ถูกต้องถูกต้องค่ะ อ, อันนี้โยมต้องใช้ที่ถูกต้องแน่นอนนะคะเพราะว่า ในคำสั่งสองของพระพุทธเจ้ามีคำหนึ่ง <c oughs> วิริยะ <c oughs> วิริยะถ้าเราบอกความหมายของวิริยะมีความหมายหลายๆลายอนเลยแต่ในในความหมายมีความหมายที่อาตมาชอบนี่ก็กล้าหาญ <c oughs> เวลาที่เราทำสิ่งดี <c oughs> เราไม่ยอมไม่ยอม สิ่งอื่นๆเข้ามาร็วกว่าเอาตั้งใจทางสิ่งนั้นจนถึงสามร็ิอันนี้ก็ขอเรียกว่ามีกล้าหาญงั้นโยงก็ทำต่อไปนะเจ้าค่ะ <laughs> ด้วยความกล้า <laughs> ขอโอกาสพระอาจารย์ครับครับก็จากเมื่อวานที่กําหนดลมที่ละเอียดไม่ได้ก็พอกําหนดได้มากขึ้นแล้วก็ถ้าไปคุยกับใครก็จะฟุ้งซ่านอันนี้ก็ยังมีอยู่ครับมีมีปัญหาที่สงสัยอยู่ข้อนครับก็คือว่าพระอาจารย์แนะนําให้เคี้ยวคําละ30มสิถึงหกิบใช่ไหมครัผมลงดับดูได้ไม่ถึงสิบครับไม่ถึงรับ ทีนี้แบบที่ในกลุ่มครับหลายๆคนเขาก็บอกว่าให้มานักสิการเรื่องอื่นใช่ไหมหเวลารับประทานนี่ตกลงจิตควรจะทำยังไงเพราะถ้าเรานับเราก็จะนับลมหายใจไม่ได้นะเวลานั้น น, น, นับกันคิวจงถึง<อ>จงงจงมสมิหรือ60 ถ้าเราถ้าเราชัน brown rice จะว่าอย่างไงเข้าวกล้องข้ากล้องเ ข, ข้ากล้องเป็นเป็นเข้าที่เราควรทำชนันอันนี้เป็นมีประโยชน์ถ้าเราเราชานเข้ากล้องเราต้องเคี้ยวให้อย่างดี ถ้าไม่เกี่ยวกันไม่ไดเพราะว่าแพทที่เข้าใจนะคนคนหมอที่เข้าใจเกี่ยวข้องกับทานอาหารเขาก็บอกว่าเข้าคลองเป็นเข้าที่มีชีวิตเขา้าเขาเป็นเข้าที่ไม่มีชีวิตก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เขาเายให้คําแน่นนว่า ถ้าเรากินอะไรก็ต้องเรียกอาหารที่ต้องเคิ้วให้มากทำไมเพื่อจะทำให้น้ำลายออกมากๆถ้าไม่ไม่เคิ้วให้ดีหรถ้าไม่ไม่ต้องคิ่วคิวให้มากๆน้ำลายก็ไม่ออกน้ำลายก็เป็นน้ำย่อยเราสวยหรือ กลืนก ล, ลงไปอันนี้เพิ่มเพิ่มกำลังของน้ำย่อยก็สามารถช่วยสุขภาพภายดี นั่นลองสมมุติว่า ส, ม ม, าสมมุติว่าอย่างตอนกลืนน้ำลายอยางครับแล้วส่วนเราก็นับลมหายใจอยู่แล้วตอนนั้นเราจะทําไงดีครับเวลานั้นเวลาทําอานาบนานสติใช่ไหมบางทีมีน้ำลายมากน้ำปากก็เวลาที่ต้องกลืนก็กลืนเลย แต่เราก็ต้องรักษาสติให้ดีที่ลงเข้าลงออกเท่าที่สามารถทําได้แล้วก็ไม่ต้องอย่า ไ, ไปหวงเกี่ยวข้องกับน้ําลายที่มีอยู่มากในป่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราประสูบในเวลาปฏิบัติอนามบานาสติแต่ถ้าเราหวังอย่างเราอันนี้เป็นสิ่งที่กระตุ้ง แต่ทาไห้ออกมาก็เลยเราก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ควรสนใจสนใจแต่ลงมเข้าลุมออกถ้าทำได้อย่างนี้น้ำลายก็ไม่ออกมาแล้วไม่เป็นไม่เป็นไม่มีปัญหาอะไรแล้วเทว่าถ้าเราห่วงเราไปใส่ใจน้ำลายออกมาแล้วหรือ <c oughs> <c oughs> ยอมปฏิบัติไอ้แล้วก็ได้สมาธิอยู่กับลมหายใจได้ต่อเนื่องยาวๆและได้ประสบการณ์ว่า ส, สติกับสมาธิเป็นโคละอันนะคะชัดเจนเคะข้าใจอย่างไรค่ะคือตอนที่ รู้ลมหายใจก็ลมหายใจมันเปลี่ยนที่เจ้าค่ะแทนที่ว่าเรากำหนดแล้วกระทบอยู่ตรงๆอย่างนี้มันก็มาอย่างนี้เราก็เผลอรู้สึกตามอย่างนี้สักกระเดี๋ยก็เลยรู้ตัวว่านี่ต้องไม่ใช่แนะ่มันต้องอันนี้แต่ไปหลงเพลินอยู่อย่างนี้ค่ะก็เลย ม, มีสติว่า เวลาเน้นทำอะไรเปลี่ยนไปหรือไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถเจ้าค่ะลมมันคือกำหนดอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้ที่กระทบใช่ไหมเจ้าคะแล้วต่อมามันก็จ ะ, ะเป็นเวมาทางทางขนาดนอย่างนี้เจ้าค่ะสักพักหนึ่งก็รู้ตัวว่ามันนี่ต้องไม่ใช่อันนี้ต่างหาก บางบางทีเราเวลาเราทำอนาตานาสติเวลาเรื่องทำเราก็คำหูดรู้ดมเข้าดม อ, ออกรอบๆบริเว้นี้อันนี้เป็นที่เราเรื่องคำหนดรู้เกตัวไปบางทีเรารู้สึกโลงเข้าอย่างนี้อยู่อันนี้ก็ไม่เป็นอะไร ท่านใส่ใจอย่างธรรมดายัางยังโยมรู้สึกทําไปทํามาทับความดรู้อย่างนี้ต่อไปอันนี้เปลี่ยนไปเป็นธรรมชาติอีกไม่ควรทําตั้งควาด้วยความตั้งใจไม่ควรเปลี่ยนโดยตั ว, วเองอันนี้จะเปลี่ยนไปไปไปเองเจ้าค่ะท้าถ้า ถ้าเปลี่ยนทำแบบที่ยอมเข้าใจว่าอันนี้ไม่ถูกก<ม>็สมาธิก็ลดลงไป<ม>ถ้าทําอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปไม่มีวันที่ะจะสามารถเจริญสมาธิได้โยอมไปเข้าใจผิดว่ า, าเดี๋ยวไปเพลิน<ม>กลายเป็นไปเพลินที่อื่นแล้ว<อ>ก็ต้องเข้าใจว่าเรากําลังอยู่กับกาลังกำลังรู้ลงเข้าลมออกอยู่ กาเน่ใจว่าเรากำหนดรู้ลมเข้าลมออกอยู่อย่างไร้ายก็ตามใ<า>ช<า>่ออทั้งท<า><ๆ>ีเรารู้สึกลมเข้าลมออกล<า>มออกที่นี้ทั้งทีที่นี้ทังทีที่นี้ไม่เป็นอะไรต้องเน่ใจว่าเรากำลังรู้มลมเข้าลมออกอยู่ทำต่อไปไม่เปลี่ยนไปอะไรอันนี้เกิดในใจว่าปรากฏในใจว่าเมือนเปลี่ยนไป จริงๆแล้วโยงก็เข้าใจได้ไ ด, ดีว่าเราหายใจรูจมูกพันรูจมูกเจ้าค่ะไม่มีที่ใดที่ไหน ม, มีแต่สองสองรูก็ไม่มีที่ใดเลยแต่ว่าติดต่อต่อเนื่องทำไปปรากฏในใจว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแต่ เมื่อเราเป็นผู้ชำ น, นาญเข้าใจได้ว่าที่นี่เองเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ ะ, ะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งมีความรู้สึกว่าจมูกโลง่งโลง่โลงข้างการหายใจรูจมูกจะโลง่งแล้วก็เย็นเจ้าค่ะ แล้วก็ไม่เข้าใจจะโล่โลง uh, hollow, hollow. Uh yes. oh, uh, not not so big but it's so clear and cool oh. and I could breathe through ไม่เป็นอะไรรู้แต่โล่งรู้แต่โล่งแล้วก็ต่อจากนั้นอีกแป๊บหนึ่งก็มีกลิ่นเป็นกลิ่นเมนท a l อยู่ในรูจมูกข้างเดียวจ้ะค่ะ เวลาลุกเดินออกมาก็ยังมีกลิ่นเมนทอลอยู่โดยที่ไม่ได้ดมยาดมค่ะก็อุเบกขาไปเจ้าค่ะแล้วก็นั่งไปประมาณชั่วโมงสี่สิบนาทีโดยไม่ต้องขยับเลยแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกร่างกายเบาหายเมื่อยเจ้าค่ะกลับน้ำสศการพระอาจารย์ค่ะ โยมได้ส่งรายงานเมื่อวันที่สี่ที่เริ่มปฏิบัติได้นะคะแล้วอีกสองวันต่อมามันก็ล้มเหลวได้แต่ว่าไม่สมาธิไม่ดีเลยอะคะ่ะแล้วพอเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าก็ไม่ได้แล้วก่อนที่จะมาฟังการส่งอารมณ์โยมก็ไปนั่งปฏิบัติใหม่ปรากฏ ว, ว่า ทำได้แต่ว่าเนื่องจากว่ามีปัญหาที่ออโปติเนี่ยโยมจะกำหนดลมหายใจแค่ข้างเดียวคือข้างซ้ายแล้วบังเ อ, อิญรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนเป็นหวัดแล้วมันมันมันแน่นจมูกพอไปกำหนดกาหนดปุ๊บเนี่ยมันก็ปวดหัวแล้วพอยมไปนั่งใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ที่ห้องประชุมใหญ่อะนะคะก็ตอนนี้ก็เลยลองทั้งสองข้างปรากฏว่า ระหว่างนั้นนะ่ะสมาธิดีมากแต่ว่ามันเหมือนมีก้อนอะไรก็ไม่ทราบมาวิ่งมาอยู่ที่ตรงคอมันมันมันวิ่งมาแบบเร็วมากเป็นเป็นชัอสั้นๆแบบทีเลยอะคะอยู่ประมาณหนึ่งนาทีแต่โยมก็ก็ไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นก็ยังอยู่ที่ลมอยู่แล้วพอสักประมาณหนึ่งนาทีผ่านไปอาการนั้นมันก็หายไป นี้โยไม่ทราบว่ามันมันเกิดจากอะไรแล้วก็มีวิธีไหนที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถนั่งได้อย่างมั่นคงคือแบบทุกวันได้สม่ำเสมอเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ดีก็ไม่ดีอย่างนี้ค่ะอยู่ที่สภาพกรมจิตบุคคลที่บันลุ นาามิม ok. okay. ok. oh. oh, uh? ักเข้าในานา伽มิมักเขาเขาทั้งหลายก็ไตลาไตละโดสะและกามิตันดะไม่มีกามิตันดะไม่มีโดสะเลมใจของ บุคคทั้งหลายสงบคิดคิดได้ดีว่าสงบมากอย่างไรนีสงบมากไม่มีดสะไม่มีการมีชันดะกก็เลยถ้าเขาเป็นผู้ที่ได้บรรลุมากที่สามโดยวิปัสสนาโดยโดย วิปัสนาญาณิกยังยังผู้ที่ปฏิบัติวิปัสนาญาณิกแต่ค่ะถ้าเขาต้องการเขาสามารถจรินชานได้อย่างงัายๆเลยเพราะว่าใจของเขาสงบสงบดีไม่มีนิวรถ้าเราสามารถรักษาจิตของเราได้อย่างบุคคนนั้นส ม, สม่ำเสมอเทลวาวัน เวลาบานรังก็สามารถทำได้ดีเหมือนกันแต่ว่าเราจิตของเราจิตของโยมทั้งหลายเป็นอย่างไรก็ต้องรักษาจิตให้ดีเพื่อจะสามารถรักษาจิตให้ดีเราก็ต้องเข้าใจว่าจะจะอยู่อย่างจะอยู่อย่างไรแล้วก็เพื่อจะเพื่อจะสามารถรักษาจิตให้ สมามเสมอและสงบเราก็ต้องต้องรักษาเราต้องเข้าใจสิ่งที่ควรทมและสิ่งที่ไม่ควรทมถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ควรทม อันนี้ทำให้จิตไม่สมาเสมอทำให้จิตไม่สงบถ้าเราพูดคุยกันนี่เป็นสิ่งที่รบกวนมากในเวลาทำในเวลาปฏิบัติอะไรเป็นสิ่งที่รบกวนจิตของเราร้องก็ต้องเข้าใจว่าราไม่ควรทำถ้าไม่ทำอย่างนี้เราก็ไม่สามารถรักษา จิตของเราได้อย่างดีแล้วก็ไม่สามารถอธิบายได้อย่างดีเหมือนกันอ๋อนี่ต้องไปสอนอืม S <S ขออนุญาตเจ้าค่ะพระอาจารย์ก่อนที่จะขอคขะโยมอยากจะเรียนถามว่าเวลาลงเข้าเนี่ยมันเย็นมากๆเนี่ยมันทำให้รู้สึกไม่สบายก็เลยรู้สึกว่าพระอาจารย์บอกว่าควรจะวางใจให้ชอบแต่มันไม่ชอบมันเย็นมากๆเลยค่ะไม่ทราบว่า จะทำอย่างไรต้องเข้าใจว่าเวลาปฏิบัติเวลาเอาปฏิบัติเราเราต้องมีทักษณะกติที่ถูกต้องถ้าไม่มีเราไม่สามารถจะรือ สิ่งที่เราทำอยู่ได้เวลาเวลาปฏิบัติเราก็ต้องเข้าใจว่าเราควรทำเป็นธรรมชาติเราไม่ควรอาศัยสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราไม่ชอบเท่าละอาศัยชอบหรือไม่ชอบ เอาไม่สามารถทำได้อย่างดีทำเป็นไม่ใช่ว่าทาเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราทําสิ่งที่เราชอบทาเป็นสิ่งที่เราควรทําสิ่งที่เป็นอยู่ธรรมชาติถ้าเราอาศัยสิ่งที่เราชอบเราอยากทําสิ่งที่เราชอบถ้ามี ทักษนะกติอย่างนี้เราไม่สามารถจเจริญสมาธิของเราได้อันนี้ก็บอกได้ว่าเราทำตามกิเลสของเรายังเรายังไม่ฝึกเราไม่ฝึกอยู่ย้ำยังไม่ได้ฝึกก็เลยเราต้องต้องฝึกต้องฝึกไม่ใช่ว่าย้ำไม่ได้ฝึกต้องต้องฝึก เราฝึกอยู่แต่ในเวลาเราฝึกจิตของเราอยู่เราก็ทาตามกิริกิเลของเราเอเรเอาเราอีกควรยอมแพ้ <laughs> ไม่ได้เน้นนะนะคนหน้าได้คุยแล้วอตาตมาอยากอยากให้หน่าอานเรื่องอภิธรรมเป็นครูส <c oughs> อน <c oughs> อภิธรรมก็จะทำยังไง ก็มีโอกาสได้ทำงานเผยแผ่ตรงนี้บ้างเจ้าค่ะคือให้ส่งบทเรียนให้ผู้เรียนเรียนทางปริศนีค่ะพระอภิธรรมค่ะถ้าถ้าถ้าคิดว่าเหมาะกับหน้าอดแม่ชีก็ยินดีอย่างยิ่งค่ะ <c oughs> ก็จะมีเป็นเอกสาร <c oughs> พร้ซีดีซึ่งก็อธิบายสั้นๆให้เข้าใจ มีโยมทั้งหลายควรศึกษาพิธรรมสามารถเท่าที่ทำได้ในชีวิตของเราทำต่อไปฝึกไปศึกษาพิธรรม ถ้าพระอาจารย์เห็นว่ามีประโยชน์ก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในห้องประชุมใหญ่ด้วยเจ้าขาเผื่อว่าพระคุณเจ้าหรือว่าคาว่าชายหญิงที่ยังไม่ได้ทราบว่ามีวิธีการเรียนแบบนี้ที่จะช่วยเขาได้บ้างในเบื้องต้นนะคะก็ไม่ทราบจะเหมือนเดิมหรือเปล่า ก็พูดจากใจว่าตั้งแต่ได้มีโอกาสออได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ที่พราเอามาจนถึงทุกวันนี้จนถึงวันนี้รู้สึกในความเมตตาและในความกรุณาที่พระอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนมาเราคิดว่าพวกเราทุกคนที่ได้มาเข้าคอร์สในครั้งนี้จนถึงวันนี้ก็สามารถจะสัมผัสได้และก็รู้สึกได้นะคะ ไม่มีสิ่งใดที่จะทดแทนพระคุณอาจารย์นอกจากขันห้าของเถวนี้ก็ขอแสดงความนอบน้อมเคารพพระอาจารย์ด้วยความจริงใจนะคะก็อยากจะให้กัลยาณมิตรทุกคนในที่นี้เนี่ยใช้โสตทวารกับมโนทวานนะคะอย่างที่พระอาจารย์อธิบายเมื่อคืนนี้ว่าพอเราได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยเสียงเข้าที่โสตทวารแล้วก็ ลงที่มโนทวาร น, นะคะแล้วก็อย่างที่เราได้ฝึกมาแล้วเนี่ยเราจะส่งใจเราเนี่ยนอบน้อมต่อพระอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าออตัวเองจะกล่าวคำนอบน้อมกับพระอาจารย์ท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินเสียงนี้แล้วนะคะก็ลองสำรวจตัวเองว่าเสียงนี้และคำคำเหล่านี้เป็นคำภาษาไทย คำนี้เนี่ยลงในใจท่านแล้วเห็นว่าพระคุณของพระอาจารย์เนี่ยมีอย่างนี้กับเราแต่ละคนเนี่ยจริงๆเช่นนั้นหรือเปล่านะคะก็ขอใหออ้หลับตาทำสมาธินะคะแล้วก็ฟังแล้วก็น้อมใจไม่ไม่ต้องกล่าวนะคะเดี๋ยวจะกล่าวให้พร้อมไหมคะพร้อมนะคะ อหนึ่งข่าคำนับน้อมต่อพระครูผู้การุนโอโหอือและเชือจุนอนุสานทุกสิ่งสัน ยังบ่ทราบก็ได้ทราบทั้งบุญบาปทุกสิ่งอันที่แจงและแบ่งปันขยายอัดให้ชัดเจน จิตมากด้วยเมตตาและกรุณาบ่อเอียงเอน็นเหมือนท่านมากแกลงเกณฑ์ให้ฉลาดและแลมคม ขจัดเข่ า, าบันเทามหาจิตมือที่งุมงมกังขาน้อารมก็สว่างกระจ่างใจคุณสวนนี้ควรนับ ถือว่าเลิหน้าแดนใจควรนึกและตรึกในจิตน้อมนิยมชมว่าพร้อมกันนะคะ เจราจาริยาผลดีคุณนุตตรานุสาสกางกล่าวพระชานด้วยใจพร้อมกันนะคะลเข้า ไม่รู้ที่กระทบแต่ว่าสามารถกำหนดรู้ได้อย่างดีใช่ไหมอดีวิลถ้าเรากำหนดรู้ลมเข้าลม อ, ออกอย่างนั้นๆติดต่อต่อเนื่องไปในที่สุดก็เราก็ไม่สั่นเกิที่กระทบรู้แต่ลมเข้าลม อ, ออกอย่างดีเราก็ทําดีทําได้ดีเหมือนกันเวลานั้นก็ไม่ต้อง ไปหาที่กระทุกอยู่กับโลงแล้วก็รักษาสติให้ดีกับโลงและทำเพิ่มเวลามากขึ้นถ้าทำได้อย่างนี้ต่อไปสมาธิก็จะดีขึ้น่หมายถึงว่าเวลาพุา๊บเร็วเลยถ้าถ้าถ้านั่ง ล, ลงปุ๊บเราเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ต่อนิ่งได้ยาวแล้วก็ถ้าว่า คือบางทีแทบไม่ไม่อยากจะลุกขึ้นมาแต่ถ้าหมดเวลาก็จะลุกขึ้นมาจะรูต้ตลอดก็จะก็จะตั้งใจทาต่อนะเจ้าจยูจะสอบอาไมไหมยังตอนนี้ยังยังไม่มีปัญหา แม่โยมคิดว่า จ, จะไม่ถามเพราะว่าโยมได้คำตอบแลว้วว่ากล้าหาญเจ้าค่ะแต่ว่าเมื่อปีนี้พอาุ๊ก็ต้อาความน้องพจแล้วยมก็รู้สึกว่าใจมันขึ้นเหมือนีใจทีตีเกเจ้าค่ะก็เลยสงสัยว่าลงนใจแน่ดอนก็ถูกกระทบแล้วลลก็ตอนนี้ฝนจะนิ่งๆไเอยๆเย็นนิ่งๆธรรมชาติแต่ว่าพอปีตเกนีโยมก็ ไม่ใส่ใจอย่าใส่ใจอันนี้สามารถจะช่วยโยมได้เพื่อจะจะนั่งได้ดีไม่มีการเจ็บปวยอันนี้เป็นโอกาสแต่ว่าต้องใส่ใจเด้เลื่มเข้าเลิ่อมออกชั่ว ม, มงครึ่งดีกว่า <laughs> ถ้ามีถ้าสามารถสามารถทำได้ก็ควรทำนานๆต่อไป บางทีถ้าไม่ไม่มีเวลาก็แบ่งได้ยาาน้สภวะะะจร์คตอนที่เราทำสมาธิก็หลับตาแล้วก็อย่างที่เคยได้กล่าวท่านอาจารย์อันนี้ิก็ปรากฏในทันทีที่ได้หลับตาสภาวะที่ตั้งมั่นก็ดำลงไปได้สภาวะระดับหนึ่ง พอถึงสภาวะนั้นลักษณะของแสงมีลักษณะเหมือนตัวีแสงชัดเจนสภาวะลมหายใจชัดเจนสภาวะของที่บอกว่าไม่ค่อยได้รู้สึกตัวไม่ปรากฏยังรู้สึกในลมหายใจอยู่แสงแสงเป็นรูปตัวีส่งลงมาที่ตรงจมูกนะคะจางลักษณะของแสงอยู่บริเวณนี้แล้วก็มีระดับของแสงเข้าไปอยู่ตัวบริเวณเหมือนกับ <c oughs> เหมือนกับเรา copy ไฟล์ข้อมูลนะคะอาจารย์เป็นอย่างนี้คะค่อยๆเข้าไปตรงนี้อูเรื่อยๆค่ะอาจารย์สภาพก็ตั้งมั่นแต่ว่าในวัีในขนาดนั้นนะ่ะก็สัพพัญญาก็น้อยมากคะ่ะจะต้องคอยเรียกสติกันอยู่เรื่อยๆสภาวะที่ต้องเรียกมันจำเป็นต้องใช้ศรัทธาศรัทธาแล้วก็สติแล้วก็ต้องใช้อีกหลายๆตัวโยมไม่ทราบสภาวะมาก รู้แต่ว่าต้องใช้ความเพียรมากแล้วต้องต้องต้องพะวังจะเข้ามาได้ใกล้ชิดมากในขณะนั้นแสงกับแสงกับแสงกับสติเนี่ยดูเหมือนจะดูเหมือนจะจะจ ะ, จ ะ, จะแนบแ น, นกันแต่โยมก็ลองลองทำดูได้พักหนึ่งส ต, ติก็ก็ก็ไม่ไม่เพียงพอเลยต้องเข้ามารู้สึกถึงลมหายใจอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆะคะ่ะจ่า แต่ก็ไม่ได้ในใจก็ไม่ได้เร่งรีบแต่สภ า, าวะที่มันมันเห็นตรงช่วงนั้นเนี่ยมันมันมองถึงสภาพของกิเลส ข, ของตัวเองอะค่ะจ้าถ้าสภาวะเลยก็เลยกลับมามองดูร่างกายตัวเองว่ามันมีความเครียดเกรงตรงไหนบ้างเพราะในขณะที่ทําสมาธิยมยมจะคอยดูร่างกายอยู่เรื่อยๆอะค่ะจ้าคือไม่ได้ทําสมาธิแบบแบบว่าไปเรื่อยๆทําสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็จะคอยดูร่างกายตรวจดู ไม่ว่าเป็นหน้าตัวหลังอยู่เรื่อยๆล่ะคะว่ า, าร่างกายเป็นยังไงเครียดเกร็งไหมสภาพสภาพตัวเองมันสบายหรือเปล่าะคะ่ะถ้าไม่สบายก็ผ่อนคลายร่างกายแล้วก็ดําเนินจิตเข้าเข้าสมาธิอยู่อยู่อย่างนี้นะคะอาจารย์เลยจะถามอาจารย์ว่าการที่เราเดินสมาธิไปเรื่อยๆแล้วก็พอในจิตที่มันเข้าาหายใจมันยาวมากอาจารย์ และระหว่างที่ลมหายใจที่ยังยังไม่กระทบเข้าหรือออกมีเวลาไปดูร่างกายบ้างบางส่วนเช่นความเครียดเกรงตามขาอย่างเงี้ยจะมีผลเสียกับการปฏิบัติไหมอาจารย์เวลาที่อยู่ปฏิบัติอนามปาณะสติเวลาที่ต้องการดรู้ลมเข้าลมออกการดูลดูแต่ลมเข้าลมออก ถ้าสามารถกำหนดรู้ลงเข้าลกออกได้ดีอย่างได้ดี น, นันน้นๆไม่ต้องไปใส่ใจตัวร่างกายของโยมถ้าไปใส่ใจที่ใดที่หนึ่งที่อื่นสามารถรบ ก, กวกนการปฏิบัติของโยมไม่สามารถช่วยได้เราก็ไม่ต้องสนใจร่างกายกอดตัวเองถ้าเราสามารถกาหนดรู้ ลมเข้าลมออกได้อย่างดีสมาธิดีขึ้นทาให้ร่างกายตรงไปอย่างธรรมชาติแล้วก็มีความสุขในกายและใจเราต้องทำสิ่งเดียวอยู่กับลมเข้าลมออกสามารถช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรโดยความตั้งใจเราต้องตั้งใจทำแต่สิ่งเดียว ถ้าทาไปแล้วก็สามารถสามารถเปลีย่ยนทุกสิ่งทุกอย่างได้ร่างกายตอนแรกเราก็ต้องให้ตรงแต่สมาธิดีขึ้นสมาธิทำให้ร่างกายตรงแต่ว่าเวลานั้นผ่อนคลายดย้วยมีความสุขใจสุขกายสบายใจด้วยเวลาที่เราเราด้วยเราทำด้วยความตั้งใจให้ตรงเวลานั้นก็บางทีไม่ไม่มี พองคลแต่ว่าสมาดิสามารถช่วยได้ก็เลยยิ่กับลมรับ mm hmm. ลมออกอย่างที่อาตมาแนะนำวันวันหนึ่งยิ่มาสอบอารมณ์าโลมและแสงร่วมกันดีแล้วจนถึงสามสิบนาทีก็กำลดดรู้แสง จากที่กระทบอย่างดิมถ้าสามารถทำได้สามารถกำลัได้ดีก็สมาธิก็จะดีขึ้นแสงก็จะสว่งขึ้นก็อยู่กับแสงได้แต่ถ้าสมาธิลดลงไปแล้วก็แสงก็อ่อนไปก็ต้องกลับมารู้ลืมเข้าลงมออกอีก ควรทําเท่าที่สามารถทําได้ถ้าเราทําอยู่กุศลจิตก็เกิดขึ้นเวลานั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเราสามารถเจริญสมาธิได้หรือไม่ไม่ต้องหวังแต่ว่าถ้าใส่ใจลมเข้าลงออกเวลานั้นเรารักษาจิตของเราได้กุศลจิต ยุงต้องหาแบบแบบยังดีนะแต่แต่ที่ที่เอียงนะสลบสลบท่านนั่งท่านนั่งแบบนี้ดีมากสามารถช่วย ร่างกายให้ตรงและผ่องคลด้วยไม่ต้องใช้กำลังไม่มีหมอนรองหรือว่ามันไม่สลบมันินเองไปข้างหน้ามันไม่ตรงใช่ใช่มีรหลกันลงมาเหามือนนบันไดอันไหนีกว่านดัสลบดีกว่าดีกว่าดีมากยัง น, ยงนี้ไม่ดี อย่างนีั้นนั้นไม่ไม่ดีอย่างนี้ดีมาก <c oughs> ถ้าถ้าสังเกตว่าตัวร่างกายเอยียง <c oughs> ก็ต้องให้ตรงอีกแต่ว่าค่อยๆค่อยๆ ถ้าภาพปฏิบัติอย่างดีอยู่ก็ยังอยู่ได้แต่ว่า น, นันน้นไม่ไม่ค่อยดีให้ตร ง, จ ะ, งจะไปจะไปกี่รูปอือนะอ๋ออ๋อดีดีดีนะ ถ้าสามารถไปปฏิบัตินานๆก็จะดีพระไทยต้องปฏิบัติจนถึงสามฤตินันแต่อย่างดีแล้วก็พระไทยก็ต้องทาต่อไปก่อนที่สามารถทาได้อตมาก็ต้องช่วย ดูเลยพระที่เป็นิปัสการจัเออเอยากอยากฟังอ๋อเขามาฟังที่นี่แล้วยังไม่ได้ท่านมาได้ได้ห้าแล้วท่านต้องกรบท่านบอกว่าให้โยมท่านบอกว่าเมื่อท่านอาจารย์สะดวกเนี่ยให้มาเปิดอกรงพระเปิเฉพาะใช่ใช่ที่วัดยันนา ที่นี่ก็มีอาตมา ก, ก็ดีใจเพราะว่าพระอาจารย์หลายๆรูปที่มามาปฏิบัติคราวนี้ก็สอนกรรมฐานอยู่ก็เลยเขาก็ดีวนี้ดีใจมากเขาก็บอกท่านทั้งหลายก็บอกว่ากลับไปแล้วเขาก็จะไปสอนที่เขาเรียนจากนี่มาก็เลยดีใจเขาก็อยากจะอยากเชิญ อาตมาก็บอกว่าปีนี้ไม่ไม่ไหวแล้ว <c oughs> <c oughs> อ, นนอืออืนนะะอ อ, อ, อ, อ๋อแล้วก็ให้เขาลู้ คมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราอธิบายเดที่พระพุทธเจ้าตรส่อนไว้ให้เขาคิดเองอย่างนี้ดีนะเราไม่ต้องไม่ต้องบังคับอะไร ดีดีดีดีใจดีใจดีใจมาก